เวลาเนี่ก็เอซี่ครึ่งเราก็ทำกิจวัตรร่วมกันทำวัดสดอมน เอาคอาเทศควาสอนของพทธเจ้ามาสาธยายไป้มีส่วนเสริมสร้างชีวิตของเราให้ชอบให้ถูกต้องแล้วก็เราก็มีการกระทำให้เหมือนเกิดขึ้นในเรื่องที่ดีที่งามที่ชอบ ชีวิตเราก็สามารถใช่ใช่ได้มีกายมีใจเหมือนกันหมดสิติเท่าเทียมกันสามัญลักษณะกาเหมือนกันใจเหมือนกันลักษณะของกายก็เหมือนกันลักษณะของใจก็เหมือนกันเมื่อกายสัมผัสกับความหลงก็เหมือนกันสัมผัสกับความรู้ก็เหมือนกัน ถ้าหลงก็เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกันถ้าไม่หลงก็เป็นคนประโยชน์เหมือนกันมันอยู่ที่การกระทาคือกรรมแต่ละคนที่ทำแบบไหนกรรมเป็นของจำแนกสัตสัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรม เราก็เลือกทํากรรมดีเรียกว่ า, ากุศลเบนความเนขวาชั่วเรียกว่าอากุศลความชั่วก็ต้องต้นจากความหลงกรรมดีก็ต้องต้นจากความรู้สึกตัวม <c oughs> กว็เหมือนกันหมดเราจะมีในวิชากรรมฐานให้เป็นงานเฉพาะ กานใช้ชีวิตของเราให ม, มีโอกาสผัาในชีวิตหนึ่งให้ได้มีโอกาสได้เป็นชีวิตส่วนตัวบ้างให้กายได้มีทิสลาให้ใจได้มีสลาดปลดปล่อยตัวเองบ้างมามีความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของกายความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของจิต อย่าตกเป็นาสของความหลงหงกวุ่นอยู่ตลอดเวลาเอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดีให้มันเกิดขึ้นช่วงยาวๆลองดูมันจะติดหรือว่าชั่วดีเป็นตาตาแห่งความนี้จะไม่ลืมไม่เลือนไปไหน สัมผัสก็คงรู้สึกตัวหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจดเดือนหนึ่งปีเจดปีมันจะติดได้ถ้าไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ติดได้เป็นจริตนิสัยเหมือนกันหลกขาจริตโทสจริตโูหะจริตถ้าทำความดีมันก็เป็นพุท ธ, ธจริตมีพุท ธ, ธจริต ถูดขึ้นเรียกว่าโอปะปาทิกะในกายในใจของคนเรล่านี้กรรมาฐานเป็นความศักดิ์ทธ์เงินต่อจากกายจากใจเป็นดา ม, มะกาย มีความสุขตามนามกายนามกายไม่มีรูปมีจต่นามหมายถึงความเหมืยถึงคุณธรรมอันรูปอันนามเป็นสุขเป็นทุกข์อันรูปอันกายอันกายอันใจเป็นสุขเป็นทุกข์แต่นามกายไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็สู่นิพพาน พลาสุกละทุกพลาสุกละทุกเสียได้มีสติขุดเป็นเอกอยู่เป็นนิดจะตุตทชานประจมชานจะตัวแปลว่าสี่ัจากแปลว่าห้าระหว่างก้าต่อกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามเป็นการ สร้างให้ลาดเหมือนทางขึ้นเขาอยา่างมันเป็นหน้าผาหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นลาดขึ้นมาสี่ห้าเนี่ยก็ง่ายเหมือนทางขึ้นเขาที่มาวัดเราเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นหน้าผาไม่ขึ้นมาได้จึงมีการกระทำ ไม่วิตกวิจารมีสุขมีทุกข์ข้างหัวมันอย่าไปสนใจสุขทุกข์เรื่องของจมมยมเสมอไปวิตกวิจาร์ต่างๆคิดหนาเหตุหนาผลอยู่เล่นไปตามเหตุเล่นไปตามผลเอาเหตุเอาผลมาเป็นสุขเป็นทุกข์ ตัดทิ้งใจทำเหตุตามผลไม่ถูกต้องเสมอไปทิ่งไปซามีปิติมีปะสสธิมีความสงบไม่ต้องกินก็มีควมสุขไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุขได้สุขไว้ในธรรมื่วปิติบ้าวพระเจ้าตัดสู้ใหม่ สบายมุติสุคือนามกาย <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารการกินกินน้ำลายอาจจะอิ่มได้ผู้ปฏิบัติทั้งก็มีอาการต่างๆเกิดขึ้นบ้างอย่าไปหลงเคยเป็นเหมือนกันกินน้ำลายอิ่มเหมือนกัน ไม่ต้องกินข้าวก็ได้มันมีปิติประจติเป็นเหยื่อเป็นอาหารใจถ้าหากว่าใจไม่มีอาหารในเลือเสันน้บกพ่องเป็นนิดหิวไม่ใช่อยากไม่ใช่หิวข้าวมันหิวจากความรู้สึกภายใน เอนจึงฝึกตัวเองเอย่าไปหลงเลยทั้งสิน้นมีสติลแล้วแล้วอยู่มีสติแล้วอยู่ดูสายด่วนเข้าถึงความรู้สึกตัวให้ง่ายให้ง่ายง่ายแล้วไม่มีก็เอาใจรีบทช่วยหายใจเข้าหายใจออก เคือนไหวสร้างจังหวะตั้งต้นเป็นหลักเกาะเห้นเรลาสะพานแต่สะพานมีเหลาจับชซีนิดหน่อยก็จับเราอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าไม่มีรลาเสีไปเลยก็อาจจะไปเสียเวลาต้อ อริบบทเนี่ยช่วยได้เหมือนเหล่าสะพานเลมือนคนเจอถือไม่เท่าแต่ส่วนลองเท่ายืนขาเดียวไม่อยู่เซต้องถือไม่เท่าข้ามไ้ขาหนึ่งเป็นขาที่สามขาที่สองไม่ใช่ขาที่สองคือไม่เท่าเป็นนิมิตเป็นที่เกาะ ขนแกเช่นหลวงตาในบางทีก็ต้องถือไม่เท่าการเดินไม่มั่นให้มั่นใจหัวจะลม้มถ้าเกาแบบร่างกาก็เจแบบนั้นถ้าเจ่เท่าเหมือนวัตตะก็เป็นเช่นนั้นคือเจอเจ็บตายมันเก่ในความทุกข์เก่ในความสุขก็ได้ <c oughs> ในความสุขก็เกเท่าตายไปจากความสุขกี่ชาติแล้วเกในความทุกข์ตายไปในความทุกข์กี่ชาติแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เป็นเกยเจ็บตายอยู่ตรงนั้นเรือว่าเกิดดับเกิดดับอาการเกิดดับขอนามลูกไม่ใช่เราเกิดมานิบมาได้กี่ปีกี่ปี อันนี้เป็นรู ป, รปนามน้องตานี่ยก็ไปแล้วเกิดชิพไว้หลังแล้วไ็เข้ากใกล้เข้าชิพแล้วเปิดชพแล้วอาจะเ้าทันหลงงพ่อผมก็ไม่ทันชักทีอันรูปนามเนี่ยมันเกิดทีเดียวตายทีเดีย ว, ตยยวแต่นารูปเกิดบ่อยๆัย่ววตะ เป็นพบเป็นชาติในความสุขพบชาติในความทุกข์ผลชาติในความอยากผมชาติในความรักความชังทีงเวลาจนเท่าไหร่แทนที่จะมีสุขในนามมต า, ายก็ เ, เลยฟรีไปเลยจะเอาใจความสุขที่เป็นรูกทำนามทำมันไม่จริงเอากายเอาใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมีสติเข้าไป ให้มันด่วนด่วนเสียเวลากวามสุขควาทุกข์ให้มันสิ้นพบสิ้นชาติซะอัความสุขความทุกข์เนี่ยเหมือนคนภาคใต้ก็ล่องเพลงกล่องลูกมาเผ้านาลิเจกลางทะเลขี้พึ่งทะเลขี้พึ่งมันเป็นยไงฝนตกมันก็แข็งแ่ดอกก็ ก็ก็ก็ก็ี้พึ่งก็ละลายไปหมายถึงสุกถึงทุกข์นั่นแหละทะเลชี้พึ่งคือสุกคือทุกข์ฝนตกคืแขงแดดออกก็ละลายเป็นน้ํำไปผู้จะไปถึงมะพร้าวในเจศจะกินน้ำพร้าวได้ต้องผ่านทะเลขี้พึ่งนี้หมายถึงสุกถึงทุกข์ จึงถึงมาพ้าวอยู่สวนโมกาจาย์พุทานขุดศักแิ์เ่มีเกาะมีน้ำอ้อมรอบมีเกาะอยู่ตรงกลางปลูกมะพ้าวไว้ต้นหนึ่งลูกดกมาอาจารย์ผู้ชาติเขียนไว้เพลงของลูกคนภาคใต้ อันผ่าวาลิเจการทะเลชีพึ่งฝนตกใหม่ต้องว่าลองใหม่ถึงผู้จะไปถึงได้ต้องเป็นผู้หมดบาปบุญโดยหมดสุกทุกข์เหีนเป็นเรื่องยากสุขนิดหน่อยทุกข์นิดหน่อยเมื่อสุกทุกข์ใหญ่กว่า <c oughs> สุขเหมือน โกโคกไปถึงน้ำกะลามาเ้าวน้รลอยคูย่อร่อยควยก็นึกว่าเตีย ง, งมือศุกร้องล่อนแบบที่ไหนน้ำมันในบึงมันมีสุขแบบโกโคกอะไรมาเป็นสุขอะไรมาเป็นทุกข์นิดๆหน่อยๆโดยเป็นนิจัยไม่เป็นพุทธจริตพุทธจริตต้องเก้าวล่วง มีสติเข้าไปมีสติเข้าไปตามสติเข้าไปตามมาตามมามานี่มานี่แล้วผัเทียนสอนมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็มีครัวเดียนได้ยินเสียงได้เห็นท่านบอกเรานะยุคนี้สมัยนี่ ก็พิสูจน์ได้จากการกระทำเนี่ยไม่ต้องไปใช้สมองเอาการกระทำสัมผัสเข้าไปเวลามาหลงรู้เนี่ยเวลามาสุกรู้เวลามาทุกรู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิปปปฏิคือโต้โ ต, ตบทักท้วงอย่าไปอยู่อย่าไปหยุดออกมาทักท้วง นี่หรือสุกนี่หรือทุกข์มาอย่างเนี้ยนี่คือความโกรดนี่คือความหลงนี่คือความรักความชังนะทักท้วงให้เป็นไก่จ๋าทักท้วงถ้าไก่โชกไม่รู้จักทักท้วงติดบ่วงลายพานอะไรก็เอาวันวิ่งไก่จ๋าไม่ไม่ไ ม, มันดู มันเห็นมันบอกมันทักท้วงเห็นได้ยินเห็นเหยวก็ทักท้วงเยว่้วไก่จกไม่จับทักท้วงโซลูซิลีไม่จับไก่จ่าไก่โจ๊กไหมอยู่ในวันนี้มีไก่จ่าไก่จ่าหางแซมสีขาวหางย้อยไก่จกหัาง ไม่มีย้อยหางตรงตรงอพรนั่นแะถูกบ่วงชีวิตของไก่จุกใช้ชีวิตไม่แม่นยาำชัดเจนมักจะสุกสุกทุกทุกก็เป็นสุขก็เป็นสุกเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นความโกรธก็ความโกรธความรักเป็นความรักความชังเป็นความชังว่าไก่จุกถูกบ่วงของมานชิเด็ดมานขันท่าหมันมัดจุมงาน เจ้บุตรตมาน่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ <c oughs> แค่ชีวิตไม่ถูกต้องเราจึงมีสตินิยุ ช, ช, ชุออกมาขนส่งออกมาธรรมะเป็นการขนส่นนง รู้จัก ต, จจตัวขนส่งเพื่อนพ้นไปจากความหลงมันหลงค้นจากความหลงขนส่งตัวขนส่งไม่ขนพ้นจากความหลงแต่ม่ไม่ไม่ใช่คนช่วยธรรมะเช่นพูะเจ้าเืนอยู่วนฝั่งปูถุชนอยู่ในห้วงน้ำ นุดน้ำลงไปโผล่ขึ้นมามุดลงไปโผล่ขึ้นมาผู้ที่เคยมุดน้ำผู้ทีขึ้นไปยืนวนฝั่งเห็นคนมุดน้ำเป็นเรื่องที่น่าสงสารขึ้นมาขึ้นมาบางคนก็เห็นแต่ไม่สนใจที่จะขึ้นบางคนเห็นเอ๊ ก็สนใจที่ขึ้นก็แวกไหว้ไปอาใส่ตัวเองว่ายไ ป, ยววยไปชวนไปหน้าเพียงปากโผขึ้นมาว่ายไปในน้าเพียงคอว่ายไปอีกน้าเพียงหน้า อ, อกว่ายไปอีกน้ําเพียงเอวไม่ต้องว่ายแล้วบนะ่เนี่ยเดินแล้วบนะ่เนี่ย เดินไปอีกน้าเพียงเขาเดินไปอีกน้าเพียงน่องต่างกันนะครับลอยคอเห็นเหมือนถึงเทียบท่าเป็นลอยคอเป็นสุกลอยคอหวานขออยู่ในน้ำขึ้นฝั่งระยะเห็นเทียบท่าพระนิียผานถ้าพระเดียนผ่านเป็นฝั่งถ้าเห็น หมายถึงฝั่งหมายเทียบถ้าว่ามจะ ก, ก้าวขึ้นได้ง่ายๆเออเป็นหรอลอยคอขึ้นยากเหมือนคนลอยคออยู่บนฝักงปีนยังไงก็ไม่ขึ้นเอายือนอยู่เห็นเหมือนฝั่งกับที่ยืนเสมอกันหมดง่ายๆจังสอนวิธีไม่มีคำอะไรที่มาพูดว่า ให้เห็นอย่าเป็นได้เห็นเนี่ยมันง่ายถ้าเป็นมันมันจะมุดจูมันก็มาให้เราเป็นมาให้เราเห็นเราจะแก้ตรงนี้เตียนตรงนี้มีความเห็นลงนี่อย่างที่เราสวดอรียมรรคม่องค์แปดสมมติทิพยเบืองตนเห็นนั่นไม่ใช่เป็นเลย จนถึงสมาสมาธิเห็นสุขเห็นทุกข์ละสุขดยทุกข์จะได้มีสติเป็นเอกก็สู่ปัจจามาญนานิพพานนั่นออเก้าจากการเห็นเราใครจะช่วยไปได้ดึงมีแต่เพียงบอก การกระทําเป็นหน้าที่ของเราพระเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนกากระทําเป็นหน้าที่ของเราไปทางนี้เราก็เดินไปบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลัง ไ, ไปไปบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้ามามาเหมือนอย่างนั้นเราเอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ผู้อยู่นี่จริงๆ ภิกษุเ<ส>มื่อบวชใหม่พระพุทธเจ้าบอกว่าโนู้นโคนไม้นู้นเลือนว่างน้นถ้ำ น, น, นู้นป่าบอกพระสงฆ์ที่บวชใหม่เข้าไปในป่าในดงดิกษุบางรูปก็กลัวก็กลัวที่ใดคิดถึงพระพุทธเจ้าให้คิดถึงเหล่าตถาคตมาสงฆ์ก็เวลากลัวคิดถึงพระพุทธเจ้า กลัวก็หายไปได้ไอ้ให้ถือว่าพทธเจ้ามีอยู่ทุกคนทุกงานล้วจาเคยกลัวเหมือนกันกลัวความคิดตจใหม่บวดใหม่ตัวมืเกิดนิดๆขึ้นมาชู้กับผี จะนอนกับหลุมผีแล้วก็หีบศกหลุมหีบศกผีที่มันฆ่ากันตายมันเน่าเหม็นมาทำกระดานปูนอนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเหม็น น, นอนอยู่ก็เหม็นกระดานพื้นนอนอยู่เหม็นแต่เหม็นที่เด็คิดถึงศกเราไปเทศออกอราจะหีบศกหลงหลุม แล้วก็เหมอนแลคิดไปก็คิดถึงเห็นศกแล้ว ก, ก็หลับกับความคิดต่นใหม่ๆอย่างกรรมฐานไม่จริงแต่ไปมีคาถาป่าผีอันจริงอยู่นี่ก็หลับไปก็ศกแล้วนะจิ้งมาจิ้งมาก็ว่าคาถาศกขี้ง อ, อกไป ก็หยุดว่าคาถาสุกจิ่งเข้ามาการว่าคาถาสุกก็จิงออกไปคาถาไล่ผีก็ไม่ใช่แล้วอิติปิโสเนี่ยร้อยแปดแต่ว่าเป็นภาษาเป็นคาถาไม่ใช่เป็นอัทธกาถาเห้นอิทิอิออโทโถ จะเรียนก็อิโสมยุตตาังอ้ันโตโังทั้งธรรมานุปโตที่มันตงนโอ้ไม่ลืมเนาะห้าสปีเราไม่ลืมเลยอิทโธสมยุตตนังอิสันโตโสขังอทั้งธรรมนุปโตที่มันต่างนา้มาไม่หังอิตัวเดียวเลยเป็นคาถาแปลอิติติโนยุตะตะทุกขังจโลติจตพวติติกาติางังนะอังมาไม่หังติ อิติปิโสแต่ละตัวเนี่ยมีคาถาว่าเนี่ยผีก็เที่ยงออกไปเคยไปไล่ผีสมัยเป็นโยองหมอไล่ผีผีปอกผีไล่ผีหนาผีผ้าผีปูที่ไหนส้องดา บ, บาปหมดแถวตรวดก็เคยไปบ้านบ้านอะไรพ่อใหญ่ฮะบ้าน บ้านอะไรกับที่ใกล้นอนม่วงตะบนนองบาหวานน้องบาหวานเอาเลยผีแถวน้องบาหวา น, า <laughs> น, าน <laughs> แถวภูพระโูว่านาเฉียวนาวังเนี่ยเป็นหนอทำน้อยคนบ้านนาเฉียวนาวังบ้านนาเสีดวนไม่มองหน้าหราเวลาเดินเข้าบ้านเขาพวกผีทั้งหลายถือผีทั้งหลายเขาเกลียดเราไม่อยากให้หน้าเรา เดินเข้า้านไปก็าี่ประโตูเลยไปไล่ผีเขานะก็เลยไม่กลัวผีแต <c oughs> ่ว่ามันมันมันฝันแล้วก็ไล่สู้กับผีว่าคาถาไปผีก็เจี้งหนีพอเจี้งหนีไปก็ไม่เหม็นแล้วมันจริงกัมาก็เหม็นลยว่าคาถามันก็เหนื่อย ก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเอาลุกขึ้นมามาก็ยังเหม็นอยู่อ้าวมันอะไรมันเหม็นอยู่อผีหรือมันผีไอ้นี่มันมาหาเราเลยไนะคิเห็นเจบเราไม่กลัวหรอกอกจะบอกเพื่อนเอ้มันบ้าไรืออะไรนะ เด็กดื่นเท่งเกินจะไปหาเพื่อนปลูกเพื่อนมาผีหลอกมันน่าอายเขานะให้ผีบันค่าเราตู้เจ็มันจะฆ่าได้ไหมเวมันอะไรมันเกิดขึ้น่ ย, ยกมืชกอช่างนี้ว่าโอ้จุกตัวนั่ง โ, โยกมือสองสามรอบ ห, หายเหม็นอะไรกันโอ้เงนนั้นก็เป็นนิมิตหลอกดาระวัง โอเจ้าพวกเราพระสงฆ์ยังคิดถึงพุทธเจ้าก็ไม่คิดถึงเจ้าคืออะไรความภาวะที่ดูคือพุทธะรูสิตัวอยู่บนเขาขนป่าบุญปูปเขามีปีอะไรรู้ดูสิตัวเน่ยไม่มีแมีพุทธะเกิดขึ้นแล้วนหายความเหม็นก็หายได้ นี่ตั้งแต่วันมาคำว่าอันความคิดจะเป็นเป็นเรื่องหลอกเราไม่มีดูชัดจนพูดออกมาว่าต่อไปนี้ความสุขความทุกข์เกิดความกลัวควงก้าไม่ให้ความคิดไม่ไกายมันหลอกได้เราจะเป็นใหญ่ของเราเองอย่างนี้เรียกว่า ทำเป็นเอกเป็นเอกผุดขึ้นหนึ่งเท่านั้นทุกคนมีตรงนี้เป็นอนเดียวกันเริ่มตทวในขวางเรื่อตัวอันเดียวกันแล้วให้รู้สึกตัวนอันเดียวกันจึงเป็นเรื่องไม่เหลือวิจัย ง, ยง่ายๆ รูปแบบเราก็ง่ายๆไม่ต้องไปอ่นานตำราถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่กายก็รู้ว่าธรรมวิภาคปริเคตหนึ่งไม่ต้องไปอ่านหนังสือสติความลึกได้สองชัญญะขอความรู้ตัวไม่ต้องแบบมันมีความลึกได้รู้ตัวอยู่เนี่ยเราคิดไปก็รู้ตัวก็มารู้ตัว ขณะที่ทำอยู่รู้ตัวก่อนพู้ก่อนทำก่อนคิดระลึกได้รู้ตัวเงินจะไปไหนเดือดร่มไหนหนองท้องจะไปไหนต้องอยู่นี่แน่นอนตั้งท้นจากภาวะที่รู้เนี่ยเนี่ยบุญก็อยู่ที่นี่ละบาปก็อยู่ที่อุศนความฉลาดก็อยู่ที่นี่มาเป็นพวง วงถูกต้องเกิดขึ้นเป็นวงความผิดพลาดออกไปทำเรื่องเดียวมันมันมันเป็นการหลายชั่วทำเรื่องเดียวเป็นการทำความดีมันไม่ยากพู้เจ้าจึงปื่นเต้นเน่ยอยุ้ยจะไปบอกใครเนาะเนี่ย มันกล้ๆแบบปิดบังอะไรนิดหน่อยเส้นผมบังผูเขาเออตือดูนลุนเทไปบอกคนนี่นี่นี่มาดูนี่ไปพบปัญจพิปัญจพนี่ตามไปดูดูดูก่อนดูก่อนดูก่นชวนชวนคูรมาดูมาดูาดชวนมาดู ไปทางไหนพระเจ้าชูท้องหน่อยมาดูโลกนี่วิกิตการดุดราดจะลดที่ขนหลงพากันหมกอยู่ผู้มีสติปัญญาเขาไมอยู่ตรงนี้แล้วไปหลงทำไมไปโกรธทำไมไปทุกข์ทำไมไปดีใจเสียใจอะไรกรันไม่ใช่ที่อยู่ของเราที่นั่นไม่ใช่ที่อยู่เป็นทางผ่าน เราบบแบมแบมเกิดขึ้นเป็นข้างเป็นเขาไม่จริงไม่จีหลังยั่งยืนเราเห็นให้มันผ่านไปน่ะมามาเน่ยเหมือนกับอย่างนั้นนองก็ตือดือล่นเวลาใดที่ได้เดินอยู่สานเดิย่กรมสุดหัวใจเวลาใดที่ได้นั่งอยู่กะตินั่งสร้างแบสุดหัวใจเท่านี้ชีวิตเรา ขยันขันอาหารเสร็จอุ้มบากกับกะติไม่คมไงไว้ที่ไหนล้างบาชิดบาวางหลาดลงนั่งสร้างจังหวะถ้ามันหนาวเอาผ้าหัวมมห่มสร้างจังหวะในผ้าห่มปิดหูปิดต่าง สร้างจังในพระหม่มกูดไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปยืนตากแดดเห็นพระท่านยืนตากแดดเราก็นั่งอยู่ในกติเราโล่งแต่พระหม่มคุมหนาวศูนลบสี่องศานั่งในพระหม่มสร้างจังหวะแดดแดดนั่งอยู่กลางแดดหลังกติตากแดดเงือไหล มือเอาคลอ่อนมาเป็นอุปจักรไหลลงว่าอังสะเป็นเห็ุนุ่งเปียกนอนกับเปียกแห้งกับเปียกจนที่นั่งเป็นลอยนั่งมันมันมนออกมันไม่โลบทูเท่าไรก็ออกเป็นลอยนั่งอาศัยไม้น้าสามพิงหลังตั้งขัจฉาทั้งประเพียบตั้งนั่งสอยขา อยู่ตรงนั้นนั้นเป็นภาพอาดีตลำลึกทั้งหนึ่งในชีวิตของเราเคยทำชีวิตแบบนี้มาไม่ได้ทำอย่างอื่นจากเป็นชีวิตที่ทุกข์ที่ทยากในโลกก็ว่าได้อย่ามาคุยเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องอะไรต่างๆ แข่งหาเขาแข่งระยะตอนนั้นเราในนี่แหละอย่าตอลองเรื่องอื่นเลยมาศึกษาแลืนี่กันนะตอนยังไงเราใจเข้าถึงความรู้สึกตัวในกายก็มีจยิงงให้รู้สุตัวสักครั้งหนึ่งในคิดเราลองโว่าจะไม่ลืมมนจะไม่หลงตรงหนึ่งมันเป็นตา มันเลนถ่ายภาพพิวดไว้ก็อะไรเดือดร้อนก็เป็นมิตรกันสัญญากันระยะยาวเป็นกันระยะนะิมิตรไม่หวนที่จยื่อทะเลาะว่วาสเบียดเลี่ยนกันเนการสัญญาระยะยาวเรียกว่ากันระยะนะิมิตร พาไปถึงมรรคถึงผลได้นี่คือมังไทยคนไทยนักบวชวัดว่าอะาวอยู่ด้วยกันไปไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรท่านต้องอยู่ตัวเองถ้า อ, ออกจากนี้ไปไปอยู่ที่ไหนก็อันเดียวกันน่นแหะจิติอันเดียวกันคนเดียวกันแล้วอุอน่นอบ อ, อุผลใจ ถ้ามีโกาก็มาถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเราจะไปทางไหนป้องกันได้ถ้าจะไปศึกษาธรรมฝากฝังฝากฝังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่นี่ก็เป็นวัดที่มีชื่อในประเทศไทยวัดหนึ่งถูกต้องตามพระระาชบัญญัติคณะสงฆ์ มีเจ้าวาดสามารถออกใบอนุญาตบัตรยกเว้นภาษีได้แด้วเวลานี้เขาก็ประชุมกันใหญ่ล้อยปีหลวงพ่อเทียนเขาจะจัดขึ้นไม่ใช่พวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งกัางหากที่เขาเอาหลวงพ่อเทียเป็นเป็นหลัก นันการสอนธรรมะยุคนี้สมัยนี้ระชมร้อยปีหลวงพ่อเทียนถ้าไม่ใช่ที่นี่ก็วัดโนกฮอนเกิยนสามแห่งที่เ ข, ขาคัดเลือกจะไปชมร้อยปีชีวิตหลวงปู่เทียนในยุคนี้สมัยนี้นะแล้วก็ ทำให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมะของพระเจ้าสังส่งสอนแล้วปฏิบัติแบบนี้ต่ใไปเกิดรักพระธรรมรักพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีล้นี่ก็มีคนมาชื่อบ้านแถวเขื่อนพี่น้องวงกันชื่อห้าหลังน้องไปพุวนติดเขื่อนท ต้องชื่อบ้านว่าบ้านธรรมธาตุเคยไปไหมเ <laughs> นี่ยก็มีนั่นก็เอาเถอะพวกหองอย่าโท่าจะทิ้งกันนะให้ขี้นะเ <laughs> นาะสมขวรใจเวลา